ใจของท่านไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพากจากกันและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์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 เขาไปกันแบบสบายใจเดินไปเหนื่อยก็พักนั่งเรือไปพายเรือไปนั่งเกวียนไปไปตามสบายใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสมัยนี้เรากลับไปวุ่นวายกับการติดรถอยู่บนท้องถนนไปวุ่นวายกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน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 สิ่งของต่างๆเช่นนายกโบราณรถไม่ติดไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครตายเพราะลถความลถชนกันอันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าความรู้ทางโลกที่พวกเราศึกษากันแล้วลองนำเอามาใช้ประโยชน์กันนั้น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 ถาเรารู้เหตุว่าอะไรทําให้ใจของเราทุกอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจของเราไม่ทุกข์แล้วเรานําเอามาปฏิบัติกับใจของเราได้ใจของเรานี้จะสบายจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือความสําคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราต้องเข้ามาศึกษากันถ้าเราอยากจะมีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจต้องใช้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติกับใจของพวกเราถ้าเราไม่มีพระธรรมคำสอนใจของพวกเราจะผลิตแต่ความทุกข์อยู่เรื่อย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 เขาไม่ได้เป็นตามที่เราอยากกันเขามีเกิดแล้วเขาก็ต้องมีดับเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วบางสิ่งก็เกิดดับอย่างรวดเร็วบางสิ่งก็ใช้เวลานานกว่าจะดับแต่ไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการดับไปมีการหมดไปเราไม่เห็นความจริงอันนี้ เราก็เลยทุก์กับความจริงอันนี้เพราะใจของเราไม่อยากให้มันดับเราได้อะไรมาเรามีอะไรแล้วเราก็จะไม่อยากให้มันจากเราไปเราก็จะวิตกกังวลห่วงใย ห, ห่วงใยอย่างไรวิตกอย่างไรมันก็ต้องจากอาไปหรือไม่ฉะนนั้นเราก็ต้องจากเขาไป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 ลวพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดารวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดารวงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วเราต้องพัดกล้าจากของต่างๆไปรวงพ้นไปไม่ได้นี่คือ สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นเตื่นใจสอนใจอยู่เรื่อยๆวันละหลายหลายเวลาด้วยกันพอเวลาใดที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราจะลืมแล้วเราจะก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราเกิดความวิตกกังวลห่วงใยไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกันเวลาที่เรา ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกันนี่คือเรื่องธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยทําให้ใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนอกจากร่างกายของเราแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราแสวงหากันสิ่งที่พวกเราแสวงหาคืออะไร ก็คือลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกนี้ก็มีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเจริญลาบก็เสื่อมลาบเจริญยศก็เสื่อมยศเจริญสรรเสริญก็เสื่อมสรรเสริญได้เจริญสุขก็เสื่อมในความสุขได้จากสุขก็มาทุกข์ได้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 มันเปลี่ยนได้ของของใหม่กลายเป็นของเก่าพอของเก่าก็กลายเป็นของไม่ดีไปเช่นรถลาซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีวิ่งได้สะดวกสบายพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมต้องมีการซ่อมมีการดูแลรักษาหรือบางทีไปประสบอุบัติเหตุชนกันพังไป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 อยากจะไปไหนมาไหนอยากจะไปเที่ยวไปทำอะไรเราก็ทำได้มีความสุขกันแต่เราไม่คิดถึง เ, เวลาเงินทองมันหมดเงินทองมันหมดแต่ความอยากไปเที่ยวยังความอยากจะซื้อสิ่งต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับเงินทองเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ต้องไปดิ้นรนหาเงานินหาทองมา เราอาจจะห า, หาในทางที่ไม่ถูกก็ได้เพราะความอยากได้เงินทองมันมีความรุนแรงมาก mm hmm. ก็ จ, จะทำให้กล้าทำผิดกฎหมายกล้าทำบาปแล้วการทำผิดกฎหมายก็จะทำให้เกิดโทษตามมาทำบาปก็เกิดโทษตามมาบาปผลของบาปนี่เราอาจจะมองไม่เห็นกันผลของบาปนี่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 เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมาทําบุญกันมาเสียสละแบ่งปันรับสมบัติก้าวของเงินทองเพื่อให้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้าเราสะสมบุญไปเรื่อยๆเวลาที่เราตายไปถ้าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบาปที่เราทํา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 พ่อแม่ไม่อยากให้บวชพ่อไม่อยากให้บวชแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะนิสัยเดิมของพระตุเจ้านี้ชอบบวชก็เลยออกบวชอันนี้อยู่ที่กำลังของนิสัยเดิมที่เราสะสมมาว่ามีมากกว่าสิ่งที่เขาคนอื่นจะมาบอกมาสอนเราหรือไม่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 ถ้าเรามินิสัยเดิมชอบทำบุญชอบรักษาศีลชอบภาวนาอยู่แล้วเราก็จะมาทางนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่มีนิสัยมาทางนี้เรามีนิสัยไปในทางเสพอบายมุขเช่นไปทางเดือดสรายาเมาเล่นการพนันเ <c oughs> ที่ยวเล่นกันคบคนไม่ดีเป็นเมต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 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบมาทางนี้แต่ทางนี้ที่พระเจ้าสรงสอนนี้มีประโยชน์กับเราจริงๆส่วนการกระทําของเรามันเป็นโทษกับเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนนิสัยเราได้เช่นเราติดสุรายาเมาเราก็บอกว่าต่อไปนี้เลิกดื่มดีกว่าดื่มแ ล, แล้วมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยมีโทษหลายประการเช่น เสียเงินเสียทองต้องซื้อเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มสองไม่ไหวตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าถ้าไม่ไปทำงานบ่อยๆก็จะตกงานได้แล้วก็เสียสุขภาพร่างกายดื่มสุรามากๆ ก, ก็จะทำให้อายุสั้นก็จะทำให้ตับไตต่างๆนั้นมันชำรุดทุ่มซมได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็เสียสติเสียสภาพจิตคนดื่มสุรายามาจะไม่สามารถประครับประคองการกระทำที่ดีงามได้คนเดื่มทุราแล้วมักจะไปพูดจาไม่ดีในทะเลาะวิวาดไปทุบไ ป, ปตีไปทำร้ายข้าวของหรือไปฆ่าผู้อื่นได้ไปประพฤติผิดประเวณีได้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 สิ่งที่พู้เจ้าสอนกับสิ่งที่เราทาอยู่นี่อันไหนมันจะดีกว่ากันถ้าเราคิดเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พูดเจ้าสอนนีมันดีกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อย่างแน่นอนมันก็จะทำให้เรานิ้เปลี่ยนนิสัยเราได้เลกนิสัยที่ไม่ดีได้นี่ก็คือประโยชน์ของการที่เรามาวัดกันเรามาวัดแล้วเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของการกระทำที่ดีและไม่ดี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 ถ้ารถเขาดีกว่าเราเราก็จะรู้ว่ารถของเรานี้สู้เขาไม่ได้หรือถ้ารถเขาไม่ดีกว่าเราเราก็จะได้รู้ว่ารถของเราดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันการกระทาของเรานี้เราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าที่จะสอนวิธีที่จะทำให้เราดีจริงๆว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาเปรียบเทียบดูว่า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 โทษปัจจุบันทำผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางตายไปก็ไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรามาทางที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้าเราเอาเงินมาทาบุญแทนทาบุญก็จะทำให้ใจเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มเหล้าเพราะเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโทษตามมา ไม่มีโทษต่อร่างกายไม่มีโทษต่อจิตใจทำแล้วใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายใจเราก็เป็นการฝากเงินทองไว้ในธนาคารเวลาชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราจะมีเงินทองรอรับเราอยู่เงินที่เราทําบุญทุกบาทุทกสตางนี้เราไม่สูนแล้ว เ, เอาติดไปกับเราได้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่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 อ้อเงินบุญที่เราทำนี่มันรอเราอยู่บุญที่เราทำทุกบาททุกสตางค์นี้มันไม่หายไปไหนแล้วมันเพิ่มมากขึ้นด้วยมันมีดอกทบต้นให้ด้วยกลับมาเกิดแล้วทำบุญสิบบาทอาจจะกลับมารับรับร้อยบาทนี่คืออา น, นิสงส์ของการทำบุญที่พระเจ้าส่งสอนพระพุทธเจ้าเองก็เคยทามา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 ถ้าทำบุญอย่างเดียวแต่ยังทำบาปอยู่ก็ยังต้องไปเกิดอบายต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอะไรก่อนแล้วรอจนกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้มารับ เ, เงินทองที่เราได้ทำไว้มาใช้เงินทองที่เราได้ทำไว้หรือถ้าไปเกิดนอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่น่ารัก เ, เช่นหมาน่ารักแมวน่ารัก คนเขาก็จะเอาไปเลี้ยงอยู่อย่างดีนี่ก็เป็นอ น, นิสงส์จากการได้ทำบุญแต่ไม่ได้รักษาศีลทำบุญแต่ทำบาปทำบุญด้วยทำบาปด้วยตายไปก็ไปเกิดเป็นหมาที่น่ารักแมวที่น่ารักคนก็เอาไปเลี้ยงเหมือนลูกนี่ก็เป็นพวกที่ทำบุญแต่ไม่รักษาศีลแต่ถ้าทาบุญแล้ว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 ให้ทำบุญทำทานให้เรารักษาศีนคือสินห้าถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าเราจะจะรู้ว่าท่องเที่ยวในสวรรค์เป็นยังไงก็ขอให้เราคิดถึงตอนที่เรานอนหลับก็เราฝันดนะีตอนที่เรานอนหลับนะตอนนั้นร่างกายมันนอนอยู่เฉยแต่ใจเรานี่ไปสวรรค์ลวไปสวรรค์เพราะอำนาจของบุญที่เราทาไว้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 คือการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่สองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าปัญญาถ้าเราปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิได้เราก็จะมีความสุขภายในตัวเราทําให้เราไม่ต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้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 การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานาังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมนิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตปวัตวันตาายุสุขีทีคายุโกภวะาภิวัตนาสีลิสานิจจังวุฒาปะจายิโน ยะตาโรธัมมวาทานติอายุวันโรสุขังภาลงสาธุก็เสร็จไปตอนแรกเดี uh ๋ยวยังมีตอนที่สองถ้าใครอยากจะอยู่ต่อก็ได้ตอนที่สองก็จะถามตอบปัญหากันถ้าใครอยากจะกลับก็กลับได้ไม่ได้บังคับ อยู่ต่อก็ได้จะกลับก็ได้อยากจะมาประกาศเรื่องเรื่องพาป่ากก็ได้ว่าวันนี้เท่าไหร่ตั้งไว้ตรงนั้นน่ะตั้งไว้นี้ยบอกยอดไปกัแล้วกันไม่บอกเลยไม่ประกาศเลประกาศไหม จะอนุโมทนากันกลับในช่วงนี้ก็จะขอประจําพันเกี่ยวกับยอดต้นป่าที่พวกเราได้ร่วมทับบนในครั้งนี้นะครับยอดเงินดั้สิ้นนะครับหกหมืห้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทหกหมืนห้าพันสองร้อยห้าสิเกบาท เราโบสถ์นาซ า, ามุกันสามครั้งสาธุสาดุสาธุเดี๋ยวหนังสือถ้าต้องการเท่าไหรก็ไปหยิบเอาเนาะไปหยิบที่ที่เก็บทางนู้นจะเป็นห่อยะมีมากกว่านะเดี๋ยวจะต้องการก็ไปพิจารณาดูก็แล้วกันว่าต้องการกี่เล่ม ขอให้จากคนที่อ่านจริงๆก็แล้วกันคนที่ไม่อ่านก็อย่าเอาไปเลยเดี๋ยวจะเสียของแบบนี้น่าคื อ, อประวัติงภูเขาเขียนได้โดยหลวงตามหาบัวนะครับท่าในใดต้องการที่อ่านนะครับมารับได้นะครับไม่เดี๋ยวไม่ต้องไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางเดี๋ยวให้ทางทางหัวหน้าเขาจัดการา <c oughs> ดีกว่าเดี๋ยวให้ทางหัวหน้าเหมือน <c oughs> สองวัน่าไรนะเก่งกว่านะอ๋อพระพุทธญาติเก่งกว่าอ๋อ ไาเาหกหมือัราได้ดเื่อนราดูอดติะไประจำที่โรงงานด้วยใช่มไม่ใช่หกห้าสองห้าเก้าครับหกห้าสองห้าเก้าพัน ปิดเครื่องเลครับพิดเครื่องถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ต่อไปนะช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้ามีผู้ที่อยากจะถวายใบประเวณีความี้เลยท่านี้ยังจะเข้ามาเลยมีเยอะมถ้าเข้ามาได้เนี่ยเพียงแต่ขอให้เข้าทางด้านหลังออกทางด้านหน้าถวายของได้ใ้องการถวายของก็เข้ามาได้ถายของเชอเลยนะครับขอวันไป อขอให้เดินทางเดียวเข้าขทางด้านหลังออกทางด้านหน้าอนุอนู้เขาก็ท่านดีจะประไว้หันใจนะครับที่ได้เตรียมซองไปแล้วก็ขยอยขึ้นมา ด้านทิศตะวันด้านภูเขานะฮะด้านโน้นนะครับด้านนนด้านในด้านในนะครับเอาทางด้านหน้าครับด้านหน้าทางด้านหน้าด้านใดที่มีความประสงค์ที่จะรับหนังสือประบัติเขรับได้เลยนะครับอาจารย์บว่าต้องต้องอ่านนะฮะถ้าไม่อ่านจะต้องไปนะครับเอาไปโดนัวล้วก็ไนะครับไปโดนหัวไม่เป็นไรทอะไรครับ หิบได้เลยนะครับไมอเวี๋ยวตามครับดยให้ตามครับหยิได้เลยนะครับมาตรงนตรงนี้เลยนะครับหัสือดีหิได้เลยนะครับถ้าฟังถ้าอ่านหยิได้เลยนะครับนี่นะครับ ภูเขาวัาท่านภูเก็ตนอกมารงนเลยครับซื้อผ้ามุกภูเขานะครับเดี๋ยวได้โดยหลวงพานะครับดยิบได้เลยนะครับจังหวัจังหวัดจังหวัดภูเก็ตัอกมนี้นะครับ ไม่ต้องกราบนะการที่จะถวาย้องปัจจัยแล้วก็กราบไหว้จานก็พอได้เจอคนสลาเลยนะครับเราเสริธีการแล้วนะครับพวกเราก็จะเดินทางไปที่รถบัสกลับที่ตั้งนะฮะกับรปษักไหว้ก็พอไม่ไ้ไม่เสียเลน่มตรงนี้นะครับไหว้ก็พอไม่ต้องไปส่องัา อช่แล้วนะครับจะให้เว้นช่วนะครับเดวเป้นช่วเดี๋ยวท่อาจารย์น่จะตอบปัญหาเรื่องธรรมาต่อนะครับพวกเรานี่ยไมจ่ายไม่ต้องการไม่นับการไหว้ก้าพเจ้น่าจะละเอียดมากไม่ต้องการไมไหว้ก้าพ้อเขได้ไม่เสียเวลาอะไรเยไม่้กมีสเลนะครับตเครับขอบคุณมาครับนี่อก้ครับ ถ้าก็ได้หน้อสอนะครับก็ขอนอนุญาตาเลยนะครับกอนจ็เลยนะครับบไปอ่านได้นะเอาไอ่านด้วยนะครับอาจารบอกว่าดีใจใมากทุกเราสนใจเรื่องหน้งสือนะครับนไงเราอย่าลืมผ่านด้วยนะครับอ่านคืนนะ อย่าวนธรรมชาติมันจะเลยผ่านนะอานได้ยังไงอ่านไม่เป็นะอ่นไม่เป็นไม่เปนไรไม่เป็นไรไม่เนไรม่เป็ไรไเลยไม่ต้องกลับเลครับ ปาด้วยได้ได so ้ต exactly. okay. uh ้นใหญ่เลยดีปลาเลยนใหญ่เอาไปเป็นฝังแดงเลยได้ครับใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานทีมงานรับเลยแตเดี๋ยวทีมงานจัดการนะพวกเราจะทยอยนั่งรถลงไปข้างล่างเพื่ออาชีบันะครับ ก็ขอให้ให้ท่านที่จะไปขึ้นรถบัสนะครับลงไปก่อนนะครับท่านที่มากรโตู้ให้รอที่หลังนะครับจองวันนี้ครับท่านที่จะกับรรโตู้ให้รอที่หลังนะครับสำหรับท่านที่จะไปขึ้นรถบัสให้ลงไปก่อนนะครับ S 2นาทีนะพี่ดูรูปใ้พี่หน่อรัเดี๋วเดี๋ยอาไปตัดแดดไ่อได้นะครับคืไปตแดบแดนะครับก็จะมีโทรทัศน์อยู่ได้เลยนะครับ อ๋อวางตรงขอบนั่นได้เลยครับนะใบถวายกับท่านครับแต่ใต่กวัาใจวางตรงรอบนี่เลยครับออ๋ ใส่ในทางนี่ของอกเปไปเนะครับเป็นตัวทำนะครับันะครับนะครับมอครับได้ทั้งหมดครับหนังสือตรงนี้อ่าจะมีแจกให้ที่รถบัตรนะครับหยุดไปแล้วนะครับ ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าได้นะก็ไม่ต้องเอาที่รถตักดินได้เยครับสองวันนี้เลยครับไม่ต้องยไม่กรักรลเลยนะครับประวัติของข้าวเกิด้วยหลวงต้ า, นาวนะคะ ใครที่จะถวายของเพิ่มเติมเจอเลยนะครับเก็อะรกนทางกลับมาจากประเทศาซิลโอโหดีโอเลครับผมดีเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับดีดีใจที่ได้เหียทองมานะ พรุ่งนี้เข้าสำเร็จในยุคเลี้ยงนะกีฬาเป็นรุน่งแรงหาเจอย้อนไปเชียร์ทีมไหนนะ่ะทีมชาติไยเราด้ะฮะทั้งหมดเลยเนีย2อเลนทองสเลนเงินทีสองเลนแดง เบอร์สามนี่ทำอะไรลงการน้ำมันลงกาน้ำมันจับไมพักสร็กเร็บอร์ครบสองติดตัวไปดีแลวทำขายดีเป็นของไทยของไทยเป็นเชื่อปอาทองเพื่อปลาทองในจังหวัดระยอมารอบกีแล้วเป็นอุสาหกรรมด้วยสังขารมากมาก็เป็นช่างเป็นอะไรก็เยอะหน่วยงานเอชอารเราก็มากันเยอะ แล้วไม่ได้ทำงานกันเนะเพราะว่ามีบรรกาศเป็นกิจกรรมกิจกรรมกิพวกที่ทำก็ยังทำันอยู่โรงงานโรงงานไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ปิดยี่สิบหกอยู่ครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีเพ้นไปนะ อ่าได้ไม่ถ่ายทอดสดทุกวันแต่ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยอะมันจะหาโอกาสมาใส่บาทที่ถนนนั้งแต่เช้าโง่งงเช้าโอกาสโง่งงต้องหาโอกาสมาจากไปหรอได้ใช่ อยากจะถามไหมจะถามปัญหาอะไรไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะอ๋อตอนนี้เหลือสองร้จิบงครับ อ, อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ไช้เกินมันแเกินเกินแล้วเข้าถึงเท่าไหร่นะห้าหมื0 0สามาหมืาจำนวนแสนหายไปไหนไม่รู้เลยเมป่ <laughs> วานเข้ามาต้องแปดแสน ถ้าเป็นในรูปแบบธุรกิจก็คือการเข้าถึงมากเท่าไหร่โอกาสกดไลค์มันก็มากขึ้น น, นะอาจารย์แค่ผ่านตาถผมว่าผ่านตาเขาก็แบบนี้นนครับเด็กใช้ตัวไม่ช้าให้โอกาสถ้าเป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจก็ทางบ้านถ้าอยากจะถามปัญหาก็ตอบ <s> ส่งเข้ามาได้นะ ว่างไงโมมีอะไรบ้างมีคำถามจากผู้ปักถามเอาเลยอ่ะผู้ักถาก่อนเลยคำถามจากคุณยายปทุมมาดิฉันเคยไปวัดได้คำถามมาว่าทำสมาธิให้เห็นตัวเองคำว่าทำให้เห็นตัวเองคำนี้มันคืออะไรเห็นเป็นตัวตนหรือเปล่าดิฉันก็เอามาทำการบ้านที่บ้านทำมาดูหลายเดือนดิฉันก็รู้สึกว่าคำว่าทำให้เห็นตัวเองทา ตามความเข้าใจของดิฉันคือที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างทำถูกทำผิดทำพลาดอย่างไรแก้ไขได้หรือเปล่าแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างซึ่งจะทำให้ชีวิตที่เราได้ได้มาแล้วทำให้เราสุกกายสุกใจพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิให้เห็นตัวเองได้หรือเปล่าคะกับฝักผาค่ะคือการเห็นตัวเองก็เกิให้เห็นตัวรู้ เห็นตัวจ <topics> ิตต <Huh> ัวท um an <ot skin> uh, <t> uh, ี่ทำกับมีทกระทาการต่างๆตัวจิตนี้เป็นตัวที่ทำผิดทำถูกทำบุญทำบาปอันนี้คือการเห็นตัวตัวจริงของจริงคือให้เห็นตัวรู้ให้รู้ให้เห็นว่าตัวนี้กับร่างกายเป็นคนละตัวกันให้เห็นว่าตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกายอันนี้คือการเห็นตัวตัวของเรา ส่วนการที่เรามาทบทวนดูว่าเราทำอะไรมาบ้างผิดถูกดีชั่วนั้นเป็นการดูการกระทาของเราซึ่งก็สำคัญเหมือนกันดูการกระทาว่าเราทาผิดทาถูกสิ่งไหนที่ผิดเราก็อย่าไปทำสิ่งไหนที่ถูกเราก็ทาเพิ่มขึ้นไปแล้วผลที่เสียหายก็จะไม่มี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 พอไม่มีภาพบนจอเราก็จะได้เห็นว่าจอมันเป็นอย่างไรอย่ถ้าเราเปิดพับมันจะมีภาพขึ้นมาบนจอเราจะเห็นแต่ภาพเราอาจจะไปหลงคิดว่าภาพบนจอนี้เป็นจอไปความคิดต่างๆที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราหลงคิดว่าเราเป็นตามความที่เราคิดกันคิดว่าเราเป็นนายกคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นผู้ชายคิดว่าเราชื่อนั่นชื่อนี้อันนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้น ไม่ไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของเราไม่มีชื่อไม่มีเสียงตัวนี้ตัวรู้เฉยๆหน้นจอทีวีไม่มีเสียงยมไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีรูปไม่มีภาพไม่มีสีตัวจอมันนี้จะเป็นจอสีเทาๆเขียวๆหรือดำๆก็แล้วแต่จอสมัยนี้นั่นแหละคือตัวจอตัวใจของพวกเราคือตัวรู้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 ร่างกายหายไปตอนที่จิตรวมลงนี้ร่างกายหายไปจากจากตัวรู้แล้วเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่พอออกจากสมาธิมาตัวรู้มันก็กลับมาเข้ามาในร่างกายมันก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวรู้ไปนั้นถ้าอยากจะเห็นตัวรู้ตัวจริงของเราตัวที่ไม่ตายตับกับร่างกายก็ต้องนั่งสมาธิ ท, ทำใจให้รวมเป็น อัอปนาสมาธิพอใจรวมแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อใจนี้คือตัวรู้นี่เองรู้เฉยๆให้รู้เฉยๆต่อไปใจก็จะรู้เฉยๆใจก็จะปล่อยทุกอย่างที่ที่ว่าเป็นใจปล่อยร่างกายปล่อยอะไรต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นใจมันเป็นเป น, เ ป, นเป็นสมมติมันเป็นของชั่วคราวร่างกายนี่ก็เป็นของชั่วคราวชื่อก็เป็นชื่อชั่วคราว เกียรติยศตำแหน่งอะไรต่างๆก็เป็นชั่วคราวไปหมดไม่มีอะไรที่แท้จริงของที่แท้จริงก็คือตัวรู้ตัวเดียวนี้ก็จะสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับร่างกายเกิดแล้วก็ดับราบยศสลัเสริญสุกเกิดแล้วก็ดับถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ถ้ารู้เฉยๆก็ไม่ทุกข์ ถ้ารู้แล้วติดอยากให้อยู่ไปนานๆก็จะทุกข์คนที่เห็นตัวรู้แล้วก็จะสักแต่ว่ารู้เพราะไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องอะไรพออยากให้อะไรอยู่ปั๊มมันจะทุกข์ทันทีเพราะไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องไปนี่คือการเข้าถึงตัวรู้รู้ตัวนี้เราจะปล่อยทุกอย่างได้หมดจรักษาตัวนี้ตัวเดียว วิธีรักษาตัวนี้ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้ด้วยความอยากเพราะรู้ด้วยความอยากเราจะทุกข์ขึ้นมาให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าความจริงของสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรตอนนี้มันอยู่ก็ให้มันอยู่ไปเวลามันจะไปก็ให้มันไปแต่อย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออยากไปอยากให้มันไปเป็นตอนนี้มันอยู่อยากแค่ให้มันไปก็จะทุกข์เพราะมันไม่ไปเวลามันไปอยากแค่ให้มันอยู่ก็จะทุกข์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 กาบรบรรลุธรรมก็ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับเพราะต้องใช้กรรมก่อนมนุษย์ทํากรรมไว้มากแล้วใช้หมดคงอีกนานขอความชัดเจนในประเด็นนี้ครับอ๋อไม่มีไม่ไม่มีมมมมมใครเขาว่าต้องใช้ก่อนใช้หลังแล้วแต่เวลาถึงเวลาจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยใช้อย่างตอนนี้ยังไม่ตายก็ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรม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 การใช้กรรมก็ใช้ไปแล้วแต่เวลาของใครมาก่อนมาหลังถ้ากรรมมาก่อนอย่าง อ, อย่างแต่พอใช้กรรมหมดแล้วก็กรรมมาเกิดเป็นพระปฏิเรรมพระพระเจ้าต่อไปทำถามจะกคุณวีรพรนะครับเจอภาวะน้ําตาตกมือสั่นใจสั่นทางที่ดีต้องฝืนใช้สติประคองอาการหรือว่าควรทานน้าหวานน้าตาล พอเกิดอาการนี้ทีไรสติหนูตามไม่ทันคว้าน้ําตาลใส่ปากทุกทีถามว่าหากครั้งต่อไปเกิดอาการแบบนี้หนูคือควรฝืนไม่ทานน้ําหวานหรือน้ําตาลหรือใช้สติประคองอาการคะคือมันต้องมีสติก่อนมันถึงจะไม่เกิดอาการเหล่านี้ถ้าปวดให้เกิดอาการเหล่านี้มาใช้สติมันไม่ทันหรอกต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้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 ปัญหาคือมันชอบไปคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็อยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็น้ำตาตกในเพราปล่อยให้มันคิดมันก็เป็นอย่างนี้ิถ้าไม่ให้คิดมันจะไม่มีหรอกถ้ามันอยู่กับพูดโธพูดโธไปมันก็จะว่างเยน็นสบายเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็คิดว่าปฏิบตัติปฏิบัติมันตือนห้มามันต้องพูดโธแล้วล่ะทำอะไรก็พูดโธไปละอาบน้าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันหวีผ้าวหวีผมก็ต้องพูดโธไป น, นเดี๋ยวมันไปคิดถึงขนมนมเนยเข้ามาก า, าแฟมาไปแล้วสิคำถามข้อที่สองเมื่อเช้าหนูเกือบเหยียบงูตอนแรกตกใจสะดุ้งกลัวแต่พอมีสติก็รู้ว่าเพราะเราปล่อยใจเผอทำให้เดินไม่ระวังทั้งที่เมื่อวานสติดีพุทโธติดกับใจพอจะไหลก็ไปกับความคิดก็ดึงกลับมาพุทโธ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 ก็มันเกิดทั้งการทีไ่ไม่มีสติมันไม่มีสติมันก็ตกใจถ้ามีสติมันก็ไม่ตกใจคําถามจากคุณพักพรจากการฝึก ส, สติด้วยการท่องพุทโธในใจแพ้ที่เลดมาหลายวันเผลอคิดบ่อยวันนี้ไม่เผลอความคิดมันดันออกมาเหมือนอกจะแตก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 ไม่ใช่ว่าตกลงแบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มทีหลังโดยที่เขาไม่รู้อย่างนี้ถึงจะบาปเหมือนกับเป็นการช่อกลวงกันแต่ถ้าก่อนที่จะซื้อขายกันก็ได้มีการทำความเข้าใจว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้แล้วเขายินดีที่จะจ่ายก็ถือว่าเป็นการทำการค้าที่สุดเจริญไม่ได้เป็นการลักทรัพย์แต่ถามว่า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 อย่าไปทำตามความอยากทำแล้วไม่มีวันจบได้เท่าไรไม่มีวันพอเราเวลาเสียสิ่งที่ได้ไปก็จะเสียใจทุกใจอันนี้มันก็จะทำให้หยุดความอยากได้อย่างถาวรเนี่ยสามวิธีสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติสขั้นตอนนี้เป็นขั้นเป็นการหยุดความอยากทั้งนั้นาำบุญทำทานก็เพื่อให้เราหยุดใช้เงินตามความอยากต่างๆใช้ตามความจาเป็นได้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 มันก็ใส่คู่เดียวก็ใช้มันไปันกว่ามันจะพังเลยพังแล้วก็ให้เปลี่ยนกู่ใหม่ไปก่อนเรามันวิเศวิโษสที่รองเท้าเลยใช่ไหมใช้ปัญญาคิดสัหน่อยเลยมันจะได้หยุดความอยากได้คําถามจากคุณชัดพิมลลกภาวนาพองยุคพอเริ่มนั่งมันรู้สึกเหมือนตกวูบจากที่สูงทําให้กลัวและถอนภาวนาออกมาเกิดจากอะไรเจ้าคะ ก็เกิดจากการไม่รู้ว่ากาลังจิตกำลังจะสงบมันกำลังจะได้เข้าได้เข้าเข็นก็ไปเดึงมันออกมาปล่อยให้มันวูบลงไปแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะสบายมันจะมีความสุขไม่ต้องกลัวมันเหมือนกับตกลงมาแล้วมีเบาหนานารองรับอยู่ไม่กระแทกกับพื้นกระแทกกับเบาสบายนุ่มเวลาจิตรวมลมมันน่าจะเป็นเหมือนกับตกหลุมตกเอาตกจากที่สูง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 ถ้าทานทานหุนถ้าทานถ้าทานเพราะว่าทานไม่ทันก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทานเพราะว่าอทานไปแล้วหนนึ่งเราอยากจะมาทานต่ออีกทีคือทานเพื่อให้ร่างกายมันมีอาหารหล่อเลี้ยงพอให้อยู่ได้ถ้าสายหน่อยเช่นทํางานมันเลิกตอนเที่ยงวันเนี้ยจะกินก่อนเที่ยงก็ไม่ได้ต้องรอนักเที่ยงก่อนแล้วค่อยกินอันนี้ก็ไม่เป็นมัเป็นปัญหาอะไร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 เจ็บมนั่นแหละมันอยู่ที่ใจความเจ็บความสุขความทุกข์ทางร่างกายมันนิดเดียวเจ็บอยู่ส่วนใหญ่สุขส่วนใหญ่อยู่ที่ใจที่ไปไปผลิตมันขึ้นมาเองคำถามจากคุณเมธินีบุคคลที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นบุคคลนั้นสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ว่า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 คำถามจากพระพิสุสงฆ์นะครับจากพระสันติธรรมโมนะครับกิเลสอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบมีลักษณะอย่างไรครับขอความเมตตาเหมือนก็เหมือนกันนันลนะมันก็โลบโกรธลงเหมือนกันนะ เ, ออเองแต่ว่ามันยากก็คือมันเห็นชัดถ้ามันละเอียดนี่มันมองไม่ค่อยเห็นบางทีไม่รู้วมันเป็นกิเลสเพราะมันละเอียดมาก ยังจะเห็นเนกิเลที่ละเอียดนี้ปัญญาต้องละเอียดปัญญาต้องแหลมคมปัญญาหยาบ ก, ก็จะแก้กิเลสหยาบปัญญาขนาดกลางก็จะแค่กิเลสขนาดกลางปัญญาขนาดาละเอียดก็จะแก้กิเลสที่ละเอียดคําำถามจากคุณ17เมษายนเวลาหนูเริ่มไหวสวดมนต์หนูจะรู้สึกง่วงนอนมากแต่พอสวดมนต์เสร็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 จา ก, กพี่พัชราท่านเดิม น, นะครับพี่เขาเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนมะเร็ง น, นะครับคุณหมอหนักใจมากหยุดยาก็ไม่ได้ครับถามเสริมมาก็เราเป็นคนไข้เราไม่กินยาถ้าอย่างหมอจะมาบังคับเรากินได้หมอไม่ได้เป็นคนกินเนี่ยเราเป็นคนกินเราจะกินไม่กินมันอยู่ที่เราเราจะยอมรักเราจะรักษาหรือไม่รักษามันเรื่องของเรา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 และการตามรู้กายรู้ใจระหว่างวันนะครับมันช่วยส่งเสริมอันนี้เป็นการจเจริญสติไงไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ดูกายึอนกําลังนาง้างหน้าแปลงฟันก็ให้อยู่กับการน้างหน้าแปลงฟันไม่ใช่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ขณะที่เรากําลังน้างหน้าแปลงฟันใจจะได้หยุดคิดการฝึกนี้เพื่อไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ในปัจจุบัน แล้วเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่คิดแล้วมันจะได้สงบได้มีมาเข้ามาอีกยังเข้ามาว่ า, ามาอีกสิบนาทีครับใครอยากจะส่งก็ส่งเข้ามานะคำถามจากคุณอนองค์ขอแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาในชีวิตประจำวันของคารวาศค่ะก็อย่างที่สานเนี่ยมันก็ต้องทำหลายๆอย่างรวมกัน ทำทานอย่างหนึ่งก็หยุ ด, ยดวิชาได้แทนที่เอาเงินไปซื้อขนมนมเนยมากินมาเป็นโทษกับร่างกายก็ไปทำบุญหรือซื้อขนมนมเนยไปแจกเด็กแทนอย่เอามากินเองร่างกายมันพอแล้วไม่ต้องให้มันกินแล้วหรือว่าเอาเงินไปทำบุญไปช่วยเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นการแก่วิชาแก้ความหลงความอยากเพราะวิชาทาให้เกิดความอยากขึ้นมา เพราะไปคิดว่าการทำตามความอยากก็จะมีความสุขเลยพระพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นความหลงปัญวิชาความจริงแล้วมันทำตามความอยากแล้วมันเป็นความทุกข์งั้นก็เลยให้ทำทานให้รักษาสิ่งให้เจริญสตินั่งสมาธิอันนี้เป็นการกระทำเพื่อแก้วิชาแก้ความอยากาต่างๆอาวิชาความอยากนี้มันเป็นพ่อป็นกอบลูกกันอาวิชาเป็นพ่อทำให้เกิดความอยากขึ้นมา ความหลงทําให้เราอยากเพราะคิดว่าอยากแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงมันอยากแล้วมันทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราหยุดอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะหายหลงหวดแล้วใช่ไหมหมน แ, แล้วก็ดีจะได้พักว่างใส่ <laughs> ถ้าไรตาขาอย่างเงี้ยแล้วจิตอิสระไงเป็นยังไงฮะจิตที่อิสระ จิตก็ไม่มีกิเลสไงจิตอิสระตอนนี้จิตมันเป็นธาตุของความอยากนะมันสั่งให้เราไปกินขนมก็ต้องไปแล้วนะสั่งให้ไปหาแฟนก็ต้องไปละสั่งให้เราไปเอานน้นเอานี่เราเป็นทาตมันอยู่ตลอดเวลาเลยที่เราไม่รู้สึกตัวพอไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆสบายไม่ต้องไปไหนมาไหนอันนี้เราเป็นคนใช่ไหมความอยากันใช้เราแหลกนะเราไม่รู้สึกตัวเลย ถ้านั่งเวลาทำสมาธินะครับมันจำเป็นไหมครับก็ต้องนั่งขาขาทับขาซ้ายขาคุ้นั่งห้อยขานั่งับเท้าหรือวาอ่าเวลาตีกราฟเขาก็มีวิธีตีไม่ใช่เหรอแต่นั่งสมาธิเขก็มีวิธีถ้าอยากจะนั่งให้มันดีให้ได้ผลมากได้ประโยชน์มากก็ต้องนั่งแบบที่เขานั่งกันนะขาทับซ้ายกัดสมาดตั้งตัวให้ตรงอันนี้ท่าที่ดีที่สุดทุกอย่างมันมีท่าที่ดีและไม่ดี ถ้าเราอยากจะได้นักท่าที่ดีนะฮะแม่เนี่ยเด็กคนนี้โชว์เลยนะแต่ไม่ธมดานเด็กมันนั่งได้ผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ตัวนั่งกับนั่งไม่ได้ที่เล็ของเรามันอยากจะสบายมันไม่อยากจะนั่งใหม่ๆ ม, มันอาจจะรู้สึกอึดอัดมัไม่เคยนั่งแต่นั่งไปนานๆแล้วมันถ้านั่งอย่างนี้มันสบายเนีย ม, มันมันจะบาลานซ์มันจะไม่ล้มไปทา ง, ทางนู้นทางนี้ นั่งได้นานบางทีพวกที่เขานั่งนานๆดูสีนี่เขานั่งเป็นวันนี้ท่านั่งนี้ดีที่สุดมีอีกคำถามนะครับมืออกอ่า น, น a c e b o o k ของพระอาจารย์ที่เล็นภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับกิดของสงสมัยที่วัดป่าบ้านป่า น, นะครับ ก็คือพาะที่ฉันเช้านเนี่ยดวงตาจะเข่งมากว่าจะต้องทํากิจกรรมร่วมกับพระรูปอื่นเช่นกวาดวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จุดประสงค์คือเพื่อเป็นการเจริญสติหรือมีอะไรมากกว่านั้นมันมีหลายอย่างหนึ่งมันต้องมันเป็หน้าที่วัดวาก็ต้องสะอาดเรียบร้อยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันช่วยกันแล้วขณะที่ทําก็ให้มีสติอยู่ ก, การกระทํำแต่เป้าหมายของการทํางานก็เพื่อให้วัดวาสะอาดเรียบร้อยจะทําทเท่าที่จําเป็น อันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ให้ทำบนแล้วใช่ไหมนี่ก็ม า, า, มาถามหน่อ ย, ยถาม<ป>จากคุณหนูเคยได้ยินว่าไม่จำเป็นว่าทำบุญมากได้มากทำน้อยได้น้อยเพราะบางคนทํามากได้น้อยบางคนทําน้อยได้มากจริงหรือไม่อย่างไรคะไม่จริงหรอกทำมากก็ต้องได้มากเลยกินมากมันก็น้ำหนักมากกินน้อยน้าหนักมันก็น้อย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 การที่จะเป็นเทพกากลายเป็นเปรตไปเหมือนในสมัยพุทธกาลที่มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่รูปหนึ่งท่านมากราบทูลว่าตายคืนไม่รู้มีเสียงอะไรมาร้องดังลั่นในวังพระเจ้าก็บอกว่ามันเป็นอมาตในชาติก่อนๆแล้วท่านเคยใช้มันไปซื้อข้าวซื้อของไปทําบุญแล้วมันก็ยักยอกเงินทําบุญไว้พอมันตายไปมันก็เลยต้องมาเกิดเป็นเปรตแ้วมันก็เลยมาขอ ขอขอความช่วยเหลือมาส่งเสียงดังพระเจ้า ก, ก็บอกว่าให้ทำบุญอุทิศให้มันไปวมดแล้วใช่ไหมมีไหมมีครับไม่เอาเอาอยู่แล้วอระถ้ามันหน้าถามก็ถามะะะ น, นะจากคุณเคชองนะครับนั่งสมาธิใช้คําบริกามพุทโธพุทโธจนรู้สึกว่าสงบโยอมจะหยุดคําบริกามพุทโธหรือเอาจิตไปจับที่สมาธิอย่างเดียวคะ อ๋อถ้ายังไม่รวมยังไม่ตกวูบลงไปยังไม่นิ่งก็พุทโธได้ก็พุโทพโธต่อไปพุโทโธไปได้เรื่อยอย่าไปหยุดนึงจนกว่ามันจะวูบตกหลุมตกบ่อไปแล้วก็นิ่งสงบถ้าใช้พุโทโธนะถ้าดูลมก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวูบลงไปง่ายไปหมดแล้วใช่ไหมครับไม่มีข้อไม่ก็น่าถามเราไม่ต้องกล่าแค่นะ <laughs> <laughs> เบือแล้วคาถาม <laughs>